บอกว่าเยอะมากฉันใดพระพุทธพระองค์จึงตรัสว่าการให้ผ้าคือผู้ให้ที่ให้ผิวพันนะเพราะว่าการให้ผ้าเนี่ยให้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยทำให้คนเนี่ยน่าดูแล้วก็น่าชมปกปิดอวัยวะอันเป็นที่ตั้งแห่งความละอายเพรา ะ, ะนั้นการให้ผ้านั้นจึงให้ผิวพันแล้วก็ให้ความอ่เาเรียกว่าปกปิดอวัยวะที่น่าละอายจะได้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความละอายนั่นเองก็จะได้ว่าปกปิดเรียบร้อยแล้วค์ก็อนุโมทนาถึงอั น, นิสง์ของการ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 คงเคยเห็นผ้าบางรูปที่ผ้าคล้ายๆแบบนี้นะพร ะ, ะผ้าที่ผ้าที่ท่านท่านนเอาไปหอมก็เหมือนกันแคเรียกว่าดูเหมือนกับดูทอดูอะไรฐานที่แดงออกงามมากระยิบระยับนั่นแหละท่านท่านนก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วกระวัตรริยะอภูตธรรม น่าอัศจรรย์จยิ่งขควรแก่การดีดนิ้วมือให้ปรบมือให้สิ่งที่ไม่เคยมีก็มามีขึ้นเนี่ยนะว่าชวีวันคือผิวพันของพระตถาคตเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนะักวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าผิวเนี่ยงามมากเลยนะผิวพันเนี่ยเปล่งปลั่งแบบมีชีวิตชีวาน่าเลื่อมใสามากว่าผิวของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผุดผ่องคู่ผ้าเนื้อเลี้ยงก็มีสีเหมือนทองสิงคีซึ่งเป็นผ้าทรงนี้ ข้าพระองค์น้อมเข้าไปสู่พระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ย่อมปรากฏดังฐานไฟที่ปราศจากเปเลวฉะนั้นเนี่ยนะคือรศมีที่มันพุ่งออกมาด้วยความเรยีประยับกฎงามของผ้าที่มีสีเหมือนทองคำด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอนน์ในการทั้งสองคือเราว่าสองสมัยนะที่กายของพระตถาคตย่อมบริสุทธ ผิวผ่านเนี่ยผุดผ่องยิ่งนัก น, นะเหตุการณ์สองคราวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์แบบนะั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากสองคราวหรือในสองการนั้นเป็นไงนะคือในเวลาที่รา เ, เป็นเวลาราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนแรกตรัสรู้นั้นก็งดงามมากเลยนะผิวผันเปล่งปลั่ง เ, เป็นต้น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 ก็พูดผ่องยิ่งนักดูก่อนอานนท์ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แล่ตะถาคตจักปรินิพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสารวันแห่งมลกษัตร์ทั้งหลายเป็นที่แวะเวียนไปณกรุง เ, เป็นที่แวเวียนไปณกรุงกุสินาราคือสถานที่ที่พระองค์ปรินิพานที่เป็นสวนที่เป็นเจ้าทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเที่ยวพักันนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสกับพระนลว่ามาเถิดอานน์ เราจะไปยังแม่น้ำกักุธานทีท่านพระนนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วฝ่ายปุกุสะนำผ้านาคู่ผ้าเนื้อกเกลี้ยงที่มีสีเหมือนทองสิงคีเข้าไปถวายพระศาสดาก็ทรงครองผ้าคู่นั้นแล้วก็มีสีมือมีสีเหมือนทองงดงามยิ่งนักเหมือั้นงดงามแล้วก็คืองดงามยิ่งนักนั่นเอง ในอัตถกาถาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าหน้าสด411บอกว่าถามว่าในคำว่าอเมสุโข อ, อนันททวีสุกาเลสุถามว่าเพราะเหตุไรากายของพระตถาคตจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนักในการทั้งสองคือสองเวลานี้ทำไมผิวพันจึงผ่องใสเหลือเกินคือแรกตรัสรู้กับก่อนตอนที่จะดับขันธปรินิพาน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 ผ่องใสและจิตใจของพระองค์ก็ผ่องใสเพรา ะ, ะรเพราะมีรูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานทําให้เกิดความผ่องใสรูปเหล่านั้นเนี่ยไปทําอาหารชรูปให้เกิดขึ้นเพราะฉะนนั้รูปคืออาหารที่พระองค์สเสวยเนี่ยนะไปบํารุงเลี้ยงดูกรรมชรูปไปบํารุงเลี้ยงดูอุตตรรูปและ อ, อะไรนะกรรมรัชรูปอุตตรรูปและปกติกรรมจิตอุตตอาหารใช่ไหมอาหารก็ไปสร้างอาหารชรูปให้เกิดขึ้น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 คือเป็นปกติแล้วเป็นคนที่โรคหรือรังกระเสาะกระแะมาใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานมานานหลายแสนกับเรียกว่าจำปวดจนไม่รู้จะปวดยังไงแล้วในที่สุดแต่ว่าโรคนั้นหายเนี่ยดีใจไหมฉันนายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันละกิเลสเหล่านั้นที่เคยสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะเป็นต้นองก็ดีใจว่าวันนี้เราละได้แล้วหนอจึงเกิดโสมนัที่มีกาลังจิตใจก็เลื่อมใส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 วันนี้เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปสู่นครอมาตะนิพานอันนี้เปรียบนะคำว่าเปรียบนิพานเหมือนนครเนี่ยวันนี้นี่แหละจะได้ดับขันท ป, ประิณิพานที่พระพุทธเจ้าหลายแสนพระองค์เข้าไปแล้วก็คือดีใจแล้วว่าดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและดับวิญญาณดับตาหูจมูกเล่นกายใจเสร็จแล้วเนี่ยแมนน่าดีใจขนาดไหนเพราะพระองค์ลํำพึงว่าในวันนี้เดี๋ยวนี้เราเข้าไปสู่นคร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 เด็ดขาดและที่สำคัญรูปที่เหลือก็เป็นเพียงแต่อุตุชรูปเท่านั้นเองเนี่ยนะอย่างพระบรมาธาตุทั้งหลายเนี่ยนะเป็นรูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานแต่ถ้าตอนอยู่ที่อยู่ที่สรีระของพระองค์นั้นมี ม, มีอะไรมนะีอะไรเนี่ยก็มีสมุทฐานส่ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นี่มีสมุทฐานสี่แต่เมื่อพระองค์ดับขันทระปรินิพานแล้วเหลือ สมุดฐานเดียวคืออุตุสมุดฐานโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุที่เราไปกราบไปไหว้นั้นมีสมุดฐานเดียวคืออุตุสมุดฐานส่วนในข้อหนึ่งยี่สสี่หน้าส0ม้สาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ไปยังแม่น้ำกับกุทานาทีนะก็เสร็จไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์เนี่ยนะ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 อันนี้เรียกว่าอุตฐานสัญญาส่วนท่านพระจุนทะก็นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่นั้นนั่นแหละบอกว่ากล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาผู้พระองค์ผู้พระตถาคตหาผู้เปรียบมิได้ในโลกพระองค์เสด็จเหนื่อย นะพอไปถึงแม่น้ํากักุธานทีเป็นน้ําที่มีไสจืดแล้วก็สะอาดพระองค์ก็เสด็จลงจึงไอระหว่างทางเนี่ยก็เหนื่อยเนี่ยนะักกว่าจะไปถึงคือไม่ใช่ว่าพุทธคําเหล่านี้จะมีง่ายๆในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางทีเนี่ยพระองค์เดินทางวันหนึ่งสีโยชน์ไม่หยุดเลยเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวว่าพระองค์เคยเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งอายุ40กว่า50กว่าเลยนะแต่ว่าแม้ครั้งนี้แสดงว่านนะหนักมากนะหนักมากเท่าที่เคยพบว่างั้นเถอะ